พุทธวสวสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะเราต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัมสนท น, นาที่นั่นสัมม น, นาพง์ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับประโยชน์จากรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่มุ่งเน้นให้ท่านได้เข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาในลักษณะที่เชิญชวนให้นําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของท่านด้วยแล้วก็จะชวนมาปฏิบัติพร้อมกันในส่วนที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ตามปกติแล้ว คนก็จะไปแสวงหากันตามสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดวาอารามต่างๆนะคะแต่วันนี้ทุกวันนี้ในรายการนี้ตอนต้นของรายการท่านเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่นาทีนี้เลยเพราะหลังจากที่ดิฉันได้ให้พบกับพระอาจารย์ซึ่งได้มาให้ธรรมะกับเราแล้วเนี่ยก็จะนํำพาท่านหลายไปสู่การปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการกันเลยค่ะกราบนมัส ก, การนะคะท่านเพบูณอภิปุโนจากวัตปาร์ดอนไฮโซอุดรธานีค่ะนมัสการค่ะเดวาน ในช่วงที่เราจะมาปฏิบัติธรรมในะรูปแบบที่เราใช้ในที่นี้นะคือเรื่องของการเจริญอนาปานาสตนะิหมายความว่าให้เรามาตั้งสติตั้งจิตของเราไว้อยู่กับลมหายใจแลนะโดยการสังเกตลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกของเราในะที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาติแนะมันกระทบตรงส่วนไหนด้านในโพรงจมูกเรารับรู้ถึงสัมผัสนั้นได้ก็ให้ตั้งจิตของเร า, เาไว้ในะที่ตำแหน่งนั้น การที่เรามาตั้งจิตอย่างนี้เราชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีสตนะิตั้งสติเอาไว้แล้วสติที่ตั้งขึ้นนี้ก็อาศัยลมหายใจเป็นหลักเป็นประธานพนะระพุทธเจ้าจึงตราเรียกว่าเป็นอานาปานสติในขณะที่เรามาระลึกถึงมีสติอยู่ในลมหายใจอย่างนี้ก็ให้พิจารณาคําสอนที่พพุทธเจ้าสั่งสอนไว้มากที่สุดในตลอดช่วงระยะเวลา45ปี ในะสิ่งที่พระเจ้าสอนอไว้มากที่สุดในะพระองค์งตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสอนของเรามีส่วนเป็นไปอย่างนี้ในสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนพิสูจน์ทั้งหลายเราย่อมแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างมาก เป็นไปในอย่างนี้วิสุทธังหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรนเป็นธรรมดากวรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราเปรียบเหมือนบุรุษ ผู้ต้องการหาแก่นไม้เซะหาแก่นไม้อยู่จึงถือเอาขวานอันคมกล้าเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีลำต้นตรงยังรุ่นยังไม่เกิดแก่นไส้จึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนแล้วตัดที่ปลายปอกกาบออกอยู่ในขณะที่เขาปอกกากออกอยู่นั่นเอง ก็ไม่พบแม้แต่กระพี้ของมันจะพบแก่นได้อย่างไรอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันสังขารทั้งหลายไม่ว่าที่จะเป็นไปในอดีตหรือปัจจุบันมีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประนีก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี่คือคําสอนที่พระเจ้าสอนเป็นส่วนมากในอย่างนี้เชร์รีารค่ะก็คือสอนว่าขันห้าไม่เที่ยงใช่เป็นอนัตตาถูกต้องค่ะเออแต่ทีฉันสังเกตคําว่าเวลาเราท่องขันห้าใช่ไหมคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่ค่อยได้ท่องว่าสังขารทั้งหลายสังขารกับสังขารทั้งหลายนี่ต่างกันไหมคะในภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมี ก็เรียกว่าเติม s อย่างเงี้ยนะคือเหมือนกับภาษาอังกฤษเติม s ก็เป็นเป็นพหูพจน์นะทีนี้พอเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันไม่มีพหูพจน์ในลกนักษณะที่เติม s อย่างนั้นนทางนักภาษาศาสตร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็เลยใส่คําว่าทั้งหลายเข้าไป เ, เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นพหูพจน์ของมันค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกันมีทั้งสังขารที่เป็นเอกพจน์และพะหูพจน์แต่ถ้าเป็นสังขารที่อยู่ในขันห้า ในทุกๆ ก, กรณีจะเป็นพหูพจน์เช่นนั้นรหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องนัคือคือปกติรูปของสังขารเนี่ยคำว่าสังขารโดยภาษาเนี่ยหลักภาษานะแล้ก็จะเป็นพหูพจน์อยู่แล้วเหมือนคําว่าข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยมันคําว่า Ri ซ์ในภาษาอังกฤษนีซึ่งเป็นพหูพจน์แน่นอนคำนี้ไม่มีรูปเอกพจน์เนี่ยนอกจากว่าคุณจะบอกว่าข้าวหนึ่งเมล็ดนีคุณถึงใช้อย่างอื่นเข้ามาประกอบในเช่นเดีวยวกันคําว่าสังขาร น, นะปกติ คำของมันเวลาใช้คำเนี้ยก็จะหมายถึงคำที่เป็นรูปของพหูโพจน์อยู่แล้วว่าอย่างนั้นค่ะทีนี้มันก็น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าดิฉันกระโดดข้ามมาที่สังขารเลยยังไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของรูปของเรื่องเวทนาหรือว่ามิญญาณต่อไปนะคะยัยจะกลับเรียนถามท่านว่าเราควรที่จะคุยกันตั้งแต่อันดับแรก ที่อยู่ในขันห้าที่เราจะท่องกันไล่มาตั้งแต่รูปหรือว่าจะเริ่มต้นที่สังขารนี้ก่อนก็ได้อธมบายต้องการจะเริ่มต้นว่าที่มาของคําพูดนี้มาจากไหนก่อนเลยด้วยซ้ำอ๋องั้นนิมนต์ท่านเลยค่ะก็คือคำนี้จริงๆเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์นะเอาอ เ, เอาล่ไปทีละขั้นตอนก่อนคําพูดคนที่พูดอย่างเนี้ยคนที่จับประเด็นนี้ได้เนี่ยจริงๆคือท่านพระอาชาชีนะท่านพระอาชาชีท่านพระอาช า, าชีเนี่ยได้พูดประโยคนี้เป็นครั้งแรก นะกับนิครนนะชื่อว่าสัจจการนิครนบุตรนะตอนนั้น อ, อยู่กันที่เมืองเวสาลีนะสัจจการนิครนอ่าก็เป็นนักโตวาทะละนะเที่ยวไปโตวาที่จะยกวาทะคนอื่นนะแล้วก็พยายามที่จะล้มล้างความคิดคนอื่นให้มันสิ้นไปนะก็มีลักษณะอย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าจะมาโต้วาทะกับประปุชานะก่อนที่เขาจะมาโต้วาทะเนี่ยเขาก็หาข้อมูลก่อนในะลักษณะว่ารู้เขารู้เราไว้อย่างนั้น ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะต้องเอาข้อมูลนี้มาก่อนเพื่อว่าเราจะได้ล่มล้าง้คําพูดคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณยโคดมนี้ได้นะตอนนั้นก็เลยไปเจอท่านพระอาสชินะไปเจอท่านพระอาสชิก็ถามท่านพระอาสกิว่าเอ๊ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากสัตวว่าอย่างไรนั่นะตามอย่างนี้นะท่านพระอาสชิก็เลยพูดคํานี้ขึ้นมานะว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ย คำสอนของพระผู้มีพระภาคในสาวกทั้งหลายมีส่วนจำแนกเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงนเะบธานาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาไม่ใช่ตัวตนนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนะแค่แค่ตรงช่วงประโยคนึงตรงเนี้ยนะเป็นคำที่ท่านพระอ า, าชาติกล่าวขึ้นมานะเราจะสังเกตได้ว่าตอนช่วงแรกที่พูดถึงรูปเบธนาสัญญาสังขารทั้งหลายใช่ไหมไม่เที่ยงไอ้ส่วนที่เป็นทุกข์อยู่ไหน ทำไมกระโดดข้ามไปถึงส่วนที่เป็นอนัตตาเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็อาจจะสงสัยนิดนึงนะว่าทำไมท่านพระอัสสชิพูดอย่างนี้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยทำไมพูดถึงแค่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะซึ่งจริงๆมันน่าจะพูดครบ3าใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยแพทเทิร์นนี้มันถึงจ ะ, จะถูกต้องซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มี ครูบาอาจา์ที่ท่านเคยอธิบายเกิดมาก็ฟังเข้ามานะว่าจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าสัจการนิครนเนี่ยเขาจะเที่ยวโต้วาทะอยู่แล้วถ้าเราบอกว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เนี่ยเขาก็จะโต้วาทะคือยกหักล้างไอ้คําพูดตรงนี้ได้ดท่านพระอัสิชิก็เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดว่าอะไรเป็นทุกข์แต่พูดถึงคุณสมบัติของมันว่าเอออันนี้ไม่เที่ยงนะอันนี้เป็นอ น, นัตตาทัาน้นหนึ่งซึ่งพอภายหลังเนี่ยสัจการนิครพอได้ข้อมูลนี้แล้ว นั่นก็รวมรวมสมัครภาคพวกแล้วก็ยกคนมาหาพระพุทธเจ้านั่นก็ถามเรื่องนี้อีกแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบซ้ําย้ําไปให้เหมือนกันดังนั้นก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ารับรองคําของท่านพระอัสสชีตรงนี้นั่นก็จึงเป็นพุทธพจน์ที่เราท่องกันมานี่อยู่ในบทสวดมนต์ตอนเช้าด้วยบทธรรมวเช้าอยู่นคำตรงนี้ อ, อ๋อค่ะค่ะก็เท่ากับว่าถ้าพระพุทธเจ้ารับรองแล้วก็มั่นใจอืมใช่ที่จะถ่ายทอดกันต่อนะคะทีนี้อถ้าคนไม่มีพื้น เลยเนี่ยท่านยกขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามบอกเราใช่ไหมยเว่าเป็นเรื่องสําคัญพระพุทธองตรัสสอนบ่อยใช่คือสิ่งเหล่านี้สําคัญอย่างไรเหรอคะคือสอนบ่อยกว่าเรื่องของนิพพานนะสอนบ่อยกว่าเรื่องของละนันทิสอนบ่อยกว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทสอนมากกว่าทุกๆเรื่องเลยนะเรื่องขันห้าเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เอนัตตาเนี่สอนบ่อยมากนั้นเรื่องตรงนี้ก่อนได้ไหมคะอ่าได้ๆๆอ่า เพราะอะไรนั่นแหละคะ่ะที่ท่านที่ท่านได้พูด <c oughs> เพราะเหตุใดจึงสอนบ่อยใช่สมมุติยกตัวอย่างถ้าคนไม่เคยไปจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้ไปต้นจะอธิบายว่าเชียงใหม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เข็จจะไม่เห็นภาพแล้วก็จะไม่เก็จไม่เห็นภาพเช่นเดียวกันถ้าจะพูดถึงนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนก็จะไม่เข็จใช่ไหมก็เลยต้องพูดอยู่ปัจจุบันว่าไอ้ที่ที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยน่ยเริ่มช้นจากตรงนี้ก่อนมันเป็นยังไงน่ยซึ่งสิ่งที่เราอยู่กับปัจ พระพุทธเจ้าจึงพยายามจะอธิบายว่าไอ้ที่คุณอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นข่าวทางทีวีข้อมูลมาทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาหารการกินความเป็นอยู่ในครอบครัวพวกนี้มีสภาวะเป็นทุกข์นะคุณเข้าใจหรือเปล่าก็เลยต้องให้ทําความเข้าใจในสภาวะที่เราเป็นอยู่นี้ก่อนมันจะเข้าใจง่ายที่สุดอ๋อค่ะค่ ะ, คะท่านฟังค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญประเด็นแรกเลยว่าพระพุทธองค์นั้นต้องการที่จะ ย้ำให้คนทั้งหลายได้รู้ถึงความจริงว่าสิ่งที่สำคัญมากและเราเกี่ยวข้องอยู่มากนี้รู้หรือทุกทั้งนั้นใช่ไหมคะถูกต้องประเด็นนี้ตรงนี้ได้ทีนี้ประเด็นต่อไปกับท่านคะทีนี้ที่ท่านพูดเร่มีความทุกเนี่ยท่านได้พูดถึง5าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณ ห้าตัวนี่คืออะไรทำไมถึงแบ่งเป็น5อย่างก่อนเอางี้คําว่าสมมุติสิ่งต่างๆในโลกอย่างเงี้ยถ้าเราจะแบ่งนะคือเอาของที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันนํามากรวบรวมกันนะไอการรวมกลุ่มตรงเนี้ยเขาเรียกว่ากองเขาเรียกว่าขันนะซึ่งขันเนี่ยเป็นภาษาบาลีหมายถึงกลุ่มก้อนกองใดกองหนึ่งนะเช่นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็กองรวมกันอันนี้ก็เรียกว่ากองขันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขาก็จะแบ่งสัตว์นะเป็นอย่างงี้นะสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อะไรก็แบ่งกันไป ในลักษณะที่ผู้ช่าแบ่งตนีเพื่อที่จะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายเรื่องของความทุกข์จึงแบ่งเป็น5้าหมวดอย่างนี้นะโดยอันแรกเนี่ยเอาของแข็งของเหลวก๊าซของที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของที่มีคุณสมบัติแตกสลายได้นะเามารวมกันในกลองกลองหนึ่งเรียกกลองนี้ว่ารูปนะประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่คือกล่องที่1นนะเอาของที่เรารู้สึกได้นะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เป็นสุข นะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายหรือใจนะสุขทุกข์หรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเอามากองกองรวมกันนะเอกพวกนี้เเรียกว่ากองเวทนานะนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนของนามบรญทามละนะเรารู้สึกได้ด้วยใจอยู่ไหนนะอันที่3าอ่าคือเอาสิ่งที่หมายรู้ได้นะเช่นหมายรู้ในสีเหลืองสีเขียวสีแดงหมายรู้ในภาษาเกาหลีภาษาไทยหมายรู้ในสิ่งผู้ชายผู้หญิงนะความหมายรู้ตรงเนี้ย เรียกว่าสัญญานะมากองกองรวมกันเรียกว่าสัญญาขันนี่คือข้อที่สามข้อที่4คือการปรุงแต่งนาสิ่งอะไรที่มันมีธรรมชาติเก่ยงการปรุงแต่งปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยหนาปรุงแต่งรูปให้เป็นรูปนาปรุงแต่งความรู้สึกจากสุขให้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่การปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รูกองมากองรวมกันเรียกว่าสังขารขัน บางทีก็แบ่งเป็นการปรุงแต่งทั้งกายทางวาจาทางใจด้วยเหมือนกันและอย่างที่5้านี่ก็เป็นนามธรรมเหมือนกันนั่นก็คือเอาความรู้แจ้งนะรู้แจ้งทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือความรู้ในเรื่องของสิ่งที่มาสัมผัสได้แล้วเรารับรู้ได้เอามากองรวมกันเรียกว่ากองวิญญาณก็มี5้ากองนี้คําถามตรงนี้อาจมาเคยถามตัวเองอยู่คุณโยมติว่า e y, ทําไมพระเจ้าต้องแบ่งอย่างนี้ <c oughs> ทําไมไม่แบ่งแบงแบบ แบบนักชีววิทยาเขาแบ่งใช่เาแบ่งสัตว์เป็นคนเขาเรียก Animal Kingdom กับ p l า n t Kingdom พืชใช่ไหมพืชก็บแบ่งพันธุ์อีกโตแบบรากหรือโตแบบมเมล็ดอะไรก็ว่าไปอัลมาก็มีความคิดว่าเพราะาตัวเองเราศึกษามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมุติเราแบ่งอย่างอื่นเช่นนักเศรษฐศาสตร์เขาก็จะแบ่งคนตามระดับของรายได้ใช่ถ้านักเขาเรียกว่าอะไรนัก ที่เกี่ยวกับชีววิทยาเนี่ยเกี่ยวกับศึกษาเรื่องประชากรเขาก็จะแบ่งคนตามอายุใช่ไหมแต่พุทธเจ้าเนี่ยต้องแบ่งเพื่อให้เข้าใจเรื่องรูปและน้ำนะจึงต้องมีการแบ่งเรื่องรูปก็กองไว้กองหนึ่งเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยก็กองไว้อีกกองหนึ่งนะเพื่อที่จะแยกแยกกันไปเพื่อให้ทําความเข้าใจค่ะแบ่งอะไรเหรอคะที่มาทําเป็นกองกองนี้แบ่งจากอะไรคะแบ่งจากสิ่งที่เรารับรู้ได้ ในชีวิตประจําวันของเราเช่นว่าคุณดูทีวีใช่ไหมคุณดูทีวีคุณดูผ่านอะไรผ่านตาตานี i คืออะไรตานี i เป็นเป็นรูปนะถูกไหมตานี i เป็นรูปพอคุณดูแล้วเนี่ยคุณรับรู้ผ่านทางตาไอ้การรับรู้นั่นแนหะคือวิญญาณโอเคนะแค่คเราดูทีวีนะขันท่าเกิดขึ้นนะนี่คืออ า, าจามากำลังจะอธิบายเนาะคุณเหตุ ด, ดูทีวีหรือคุณได้ฟังเสียงทางวิทยุนะหู หูนี่คือรูปถูกไหมเสียงผ่านเข้ามาเนี่ยแล้วเรารับรู้ทางเสียงการรับรู้นั้นเนี่ยคือวิญญาณขันโอเคไหมส2ขันแล้วนะคือรูปรขันกับวิญญาณขันนะทีนี้พอเรารับรู้คือวิญญาณขันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็หมายรู้ได้ว่าอ๋อนี่เสียงผู้ชายนั้นนั่นเสียงผู้หญิงให้ความหมายรู้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยคือสัญญ า, าคือสัญญาอย่างที่3เกิดขึ้นแล้วนะแล้วคุณก็อาจจะหมายรู้ได้ต่อว่าโอ้พูดเรื่องธรรมะอ๋นี่เสียงเพลง เกิดขึ้นหรือว่าเป็นภาษาเกาหลีถ้าภาษาญี่ปุ่นเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่หมายรู้ว่าอันนี้แปลว่าอะไรเป็นต้นนะอันนี้คือสัญญาเกิดขึ้นลข้อที่3ค่ะทีนี้พอเราหมายรู้ได้รับรู้แล้วปะอ้ามันเสียงด่านี่หว่ามันเป็นเสียงด่าเราหมายรู้ได้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้อันที่4เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเสียงชมหรือเป็นดนตรีที่เราชอบ นะเราก็จะมีเวทนาที่เป็นสุขก็สุขกับเวทนาเกิดขึ้นนี่คือข้อที่4นะี่ทตนี้พอมีสุขกับเวทนาเกิดขึ้นนะเราจะตอบสนองไปนะเช่นตอบสนองด้วยความเพลิดเพลินไอการตอบสนองนั่นแนหะคือสังขารขันหรือเราอาจจะตอบสนองทําเป็นเสียงด่าดเราก็ด่ากลับนะการปรุงแต่งทางวาจากลับไปตรงนั้นก็เป็นสังขารขันนะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราอาจจะเก็บกดไว้ในใจเป็นโทสะเกิดขึ้นปรุงแต่งตรงนี้ก็เป็นสังขาร ข, ขันเกิดขึ้นมาห้าอันครบพอดี แค่ดูทีวีหรือฟังเสียงอย่างเดียวนะเนี่ยอืมค่ะก็เป็นการจําแนกเอาเมื่อกี้ท่านใช้คําว่าอะไรนะคะสิ่งที่มีอยู่อะคะ่ะเ อ, อความทุกข์ในโลกความทุกข์ในโลกออกเป็นห้ากองใช่นะคะแล้วท่านหลุดออกมามีคําว่ารูปกับนามอือแต่ว่าอันเนี้เราพูดกถึงห้าอย่างห้า อ, อ, อย่างนี้ท่านพูดถึงรูปกับนามแปล ว, ว่าที่เหลือสอย่างนี่เป็นนามหมดถูกไหมคะใช่ใช่ใ ช, ใช่ถูกต้องถูกต้องนะคะ ท่านฟังก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อที่รูปนามรูปนามเราจะได้ยินเขาพูดเป็นบ่อยๆเนี่ยที่แท้ก็คือเรื่องของขันห้านี้เองใช่ค่ะทีนี้นิมนต์ท่านไปต่อเลยค่ ะ, ะทีนี้พอไอ้เรื่องขันเนี่ยที่ที่เราต้องใช้เรียกว่ารูปเปทนาสัญญาสัญญาณวิญญาณเนี่ยเพราะเราเจออยู่ทุกวันอยู่ตลอดเวลาฝันคุณก็ไม่เว้นนะไม่ว่าคุณจะเพลินหรือคุณจะไม่เพลินคุณจะวนเวียนอยู่ในในขันตั้งห้านี้เท่านั้นเอง ไม่หนีออกไปจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่มาในรูปแบบไหนมีเงินไม่มีเงินปวดห้องน้ํำกินอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยน่าจะอยู่ในขันหน้านี้แน่นอนฟันธงครูชาวจึงแ บ, บ่งเอาไว้อย่างนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือสรุปและคือเรื่องของเราเรื่องของท่านเรื่องของทุกคนแท้ๆเลยนี่ไม่ได้พูดเรื่องไกลตัวเลยนะจึงจําเป็นต้องสนใจจใช่แล้วมันยังไงไอขันหน้านี่มันเป็นยังไงนะต้องทําความเข้าใจสิ่งที่เราอยู่กับมัน นะคือเจ้าขันห้าแล้วนะตอนนี้เราเข้าใจเรื่องขันห้าว่าคืออะไรคือสิ่งที่เราอยู่กับมันตลอดเวลานะเข้าใจสภาวะว่ามันเป็นยังไงนะก็จึงบอกว่าไอขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ขออภัยมันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงซึ่ง เ, เป็นสิ่งที่ท่านพระสชิ บ, บอกกับสัจการนิครนนะบอกเอาไว้สัจการนิครก็เอาข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะไปศึกษาจะแยกแ ย, กแ ย, กย้ายยังไงเพื่อที่จะโต้วาทัศ ก, กับพระพุทธเจ้าได้นะก็จึงพยายามที่จะบอกว่ามันต้องเป็นตัวตน อั น, นี้เรายกไปก่อนแต่ความไม่เป็นตัวตนของขันห้าเนี่ยความที่มันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเช่นอะไรบ้างา<ข>เช่นว่าถ้าขันห้าเอากายของเราเราเราเห็นชัดเจนที่สุดรูปร่างของเร า, าถ้าเผื่อว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆเราต้องสั่งการมาได้สั่งการมันได้ว่าให้มันไม่เป็นอย่างนี้หรือให้มันเป็นอย่างนั้ น, นถ้ามันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราสั่งได้ สั่งว่าผมหยุดงอกอไม่ชอบไม่สวยค่ะตีงการหยุดเกิดอย่างเงี้ย <c oughs> แต่มันมันสั่งไม่ได้ฤฤฤก็จึงเป็นสภาวะที่มันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะสั่งการมันได้นะทำไมอะไรเป็นเหตุ ข, ของความที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็สืบเนื่องมาจากความที่มันไม่เทีย่ยงนั่นเองความที่มันะ ไ, ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าเตรียมให้ตอบเลยนะ ตอบว่าขันตั้งหลายารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะพระก็ต้องตอบว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ย ง, ส, ง, ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขต้องตอบว่าเป็นทุก่ะเป็นทุกข์สิ่งสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาถูกต้องอันนี้คือเตี้ยมให้ตอบเลยซ้ําย้ําอยู่ปล่อยมากคือเรื่องนี้นั่นเองนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนัเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาค่ะสิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราคาตอบคือไม่ควรนะไม่ ค, ควรจะเห็นว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปเมื่อสักครู่ที่พยายามยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างที่ผมนะคะว่ารูปอันนี้อย่างออกนะแต่พอเราห้ามเขาไม่ได้อย่างออกนะ้านี่แปลว่าไม่เที่ยงถูกไหมคะว่าทำไมดำอยู่ดีๆอยู่ ด, ดีก็ขาวได้ใช่ <ส>แล้วก็ เ, เป็นทุกก็คือเราไม่ชอบเพราะเรากํากับไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นทุกประการหนึ่งนี่คือคือหนึ่งในคุณสมบัติของความคําว่าทุกเนี่ยนะทุกขัดลักษณะตรงนี้ก็คือเราเราไม่ชอบอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองคือมันมีสภาวะที่มันทนอยู่ไม่ได้นีมันดา ม, มันดําอยู่ตลอดไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนี่คือสภาวะที่2ของความที่จังทุกขังใช่ใช่แล้วพออนัตตาของท่านจากกรณีนี้ คือมันไม่เป็นตัวตนเพราะว่าเราบังคับไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะถูกต้องมันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะสั่งให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนี่คือคุณสญแจของความเป็นอนัตตา <Okay. S 1> อ่าเช่นว่าเช่นว่าผมนะถ้าเราบอกว่ามันต้องดําอยู่ตลอดซึ่งมันไม่ได้แต่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันนี่คือความเป็นอนัตตาค่ะคือเคยดําอยู่ชั่วคราวใช่ค่ะ อันนี้ก็คือหมายความว่าถ้าจะให้มันมันดำหรือมันมีอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเป็นอัตตาแต่เป็นตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าเราบอกว่ามันจะไม่มีนะเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีอยู่ตอนนี้แต่อีกสักสิบปีสิบปีหรือร้อยปีข้างหน้ามันอาจจะไม่มีนะทำให้ใช้คำเนี้ยคำนี้ที่พุทเจ้าคิดขึ้นมาใช้คือคำว่าอ น, นัตตานั่นเองนะคะคือมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะเสื่อมสลายไปใช่ในที่สุดเนี่ยค่ะก็เป็นอันว่าเราได้ ไปวิเคราะห์ในส่วนต่างๆางางเกี่ยวกับเรื่องของขันด้วยนอกจากรูปแล้วก็จะไปในเรื่องที่ท่านไปบูลยยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะคะทั้งอีก4กองรวมเป็น5กองว่าเอาตัวเราเนี่ยเป็นโจทย์ได้เลยถูกไหมคะใช่สิ่งที่ถ้าเมื่อเราใคร่ครวญเรื่องนี้บ่อยๆที่พระเจ้าสอนบ่อยสอนย้ำสอนซ้ำเนี่ยเพื่อที่ให้เราใคร่ครวญบ่อยๆซ้ําๆย้ำๆแล้วยังไงจะเกิดผลอะไรนะผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้จะเป็นผลสรุปที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราพิจารณาโดยควาไมไป็ก่อนไม่เที่ยงค่ะงั้นเท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยประสงค์จะให้เราสนใจแต่การพิจารณาเราเท่านั้นถูกไหมครับเพราะว่าท่านพูดเนี่ยมีเราตลอดเลยอ่าถูกต้องถูกต้องไม่ได้ให้ไปยกตัวอย่างจากคนอื่นนะคะจากเขานะคะอ่าเช่นว่าสิ่งนี้ของเราคือคือของเราเนี่ยมันมีในทุกอย่างนะค่ะขวดน้ํามันอยู่ภายนอกใช่ไหม ก็เราก็เอามาเป็นของเราได้ค er claro ิดดูความยึดถือมันขนาดนั้นนะภรรยาไม่ได้เป็นตัวเราหรือสามีไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เราเอามาเป็นของเราได้นี่คือความยึดถือไม่ว่าจะอะไรพิจารณาได้หมดเดี๋ยวฉันมองไกลไปนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครไปยึดถือเอาภูเขาเป็นของเราก็เลยคิดว่าพระพุทธองค์นั้นจํากัดอยู่ขีดวงให้ดูแต่ตัวเองไปดูคนอื่นค่ะก็เรียกว่าพิจารณาได้ทั้งหมดเลยล่ะ ไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นสภาพแวดล้อมมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยใช่ไหมได้หมดถูกต้องเพราะนั่นคือขันทังหไม่มีอะไรหนีจากนี้ค่ะนะคะวันนี้ได้เรื่องสําคัญที่พระพุทธองค์พูดบ่อยละก็หมดเวลาพอดีกราบน้ำสกการขอบพระคุณท่านเปโบ น, นะคะเดชพา น, นค่ะท่านฟังที่ครคทะทิ่ฉันสันสนีนาพงนะคะแล้วก็รายการนี้สันสนีสนทนาพยายามจะทําให้ธรรมะที่จริงๆแล้วถ้าท่านมีเวลาศึกษาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ยากเกินกว่าจะเข้าใจสามารถศึกษาได้ ด้วยตนเองในระดับหนึ่งเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเรนเองก็อยากจะให้ในเวลาที่เรามีมาพูดคุยกับท่านค่อนข้างจํากัดนี้ได้รับความกระจ่างไปเลยในคราวเดียวในแต่ละเรื่องที่หยิบยกมาพูดคุยนะคะอย่างไรก็ตามถ้ายังมีความต้องการที่จะรู้มากกว่านี้อีกแล้วก็บางทีเราก็มีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าพระพุธองเนี่ยตรัสในสิ่งที่สามารถใช้ได้ครอบจักรวาลเลยก็ติดตามรับฟังกันต่อไป ในรายการสัสนียมสนทนาสถานีที่ท่านฟังอยู่ในขณะ น, นี้วิทยุครอบครัวข่าว FM106 นะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุณทวัสสวัสดีค่ะ